จิตในสมาธิเป็นเองโดยอัตโนมัติที่แรกเราอาจจะหยิบยกเอาธรรมะอะไรอย่างหนึ่งมาพิจารณาพอพิจารณาไปจิตสงบเป็นสมาธิแล้วต่อไปมันจะเป็นเองเราควบคุมได้เฉพาะเวลาสมาธิไม่มีจะให้มันคิดอะไรคิดว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราตั้งใจคิด พอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากนั้นเราควบคุมมันไม่ได้สัญญาเจตนาจะไปบังคับมันไม่มีมิแต่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติบางทีเผลอนั่งดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดคืนยันรุ่งพอรู้สึกตัวขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันเร็วนักหนาคือในเมื่อจิตมันอยู่ในสมาธิแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งวันนี่เหมือนกับเสี่ยววินาทีเท่านั้นเอง